เสียงปลอบหลหลายเสียงมักกล่อมคุณให้หลับต่อขณะที่เสียงด่าบางเสียงอาจปลุกคุณให้ตื่นได้คนมักเข้าใจว่าเสียงปลอบโยนคือกำลังใจแต่แท้จริงแล้วกำลังใจที่ดีที่สุดคือเสียงที่กระตุ้นให้ตื่นขึ้นไม่ใช่เสียงกล่อมให้หลับต่อ ถ้าเคยเศร้าโศกนานๆแล้วเจอภาพเสียงข้อความชนิดที่แทงทะลุหัวใจทีเดียวหยุดกึกตาสว่างหายทุกข์เป็นปลิดทิ้งไม่กลับมาเศร้าโศกเรื่องเดิมๆอีกเลยนั่นแหละตัวอย่างกำลังใจของจริงคุณเคยผ่านประสบการณ์ดีที่สุดมาแล้วอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งใจที่มีกำลังจริงๆ คือใจที่มีความเป็นปกติไม่ใช่ใจที่ฮึกเหมิมวูบวาบและยิ่งไม่ใช่ใจที่เคลิ้มสบายอยากซุกนอนอยากกอดเสาหรืออยากขึ้นขี่หลังใครตอนคุณเศร้าซึมไม่ทำงานทำการคำกรีดร้องว่าจะบ้าไปถึงไหนที่หลุดมาจากปากคนขี่โมโหรอบตัวอาจทำให้คุณทุกข์หนักขึ้นแต่คำเดียวกัน ถ้าออกมาจากปากที่ไม่เคยด่าใครไม่เคยมีใจอยากทับถมให้คนอื่นเจ็บปวดอาจกระแทกอารมณ์บ้าอย่างแรงหรืออย่างน้อยมีคลื่นพลังกระทบใจให้ชะ ง, งักผีเศร้าผีฟูมไฟลหลุดออกจากร่างทันทีนั่นเพราะอะไรเพราะใจที่ไม่บ้าหรือหายบ้าแล้วย่อมมีพลังปลุกใจที่ยังบ้า ให้ตื่นตามบางคนร้องไห้แล้วลูกน้อยยื่นมือมาช่วยปาดน้ำตานับจากนั้นก็ไม่นึกอยากร้องไห้อีกเลยนั่นเพราะอะไรเพราะได้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่กลับคืนมาจากการถ่ายเทพลังรักบริสุทธิ์ที่เข้มแข็งของเด็กน้อยสํานึกรับผิดชอบถูกปลุกให้อยากเป็นฝ่ายปกป้องหยุดเป็นฝ่ายร้องขอความคุ้มครอง ภาพและเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณหยุดเศร้าได้เสมอขอเพียงคุณเตรียมใจให้พร้อมรับกำลังดีๆแต่อย่าเริ่มเตรียมจากภาวะดีๆให้เริ่มจากภาวะแย่ๆนั่นเองอย่างเช่นขณะกำลังซึมเศร้ารู้สึกเหมือนงอหัวไม่ขึ้นให้แอบกระซิบกับตัวเองในใจเงียบๆว่ากาลังหลับอยู่นะ กำลังเข้าหมวดโง่ไม่ลืมหูลืมตาอยู่นะแต่เมื่อใดที่คอยยังชั่วขึ้นมองนกเห็นนกมองไม้เห็นไม้สูดอากาศรู้สึกถึงความสดชื่นของลมหายใจก็ให้ยิ้มบอกตัวเองว่าตื่นขึ้นหน่อยๆแล้วนะกำลังเข้าหมวดลืมตาหาแสงสว่างบ้างแล้วนะแค่พากบอกตัวเองบ่อยๆว่า จิตไปถึงไหนแล้วกำลังพลิกไปพลิกมาอย่างไรแล้วเพียงเท่านี้ก็เตรียมพื้นฐานที่จะถูกปลุกให้ตื่นจริงแบบที่คุณคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในจังหวะใดแล้ว